กายก็ไม่เที่ยงจิตที่เกิดขึ้นอาศัยกายนั้นเที่ยงไหมมันก็ไม่มีความถาวลอะไรแต่ได้ยินนะว่าต้นไม้ก็ไม่เที่ยงรากก็ไม่เที่ยงลำต้นก็ไม่เที่ยงเกียงใบก็ไม่เที่ยงแล้วเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงไหมมันก็ไม่มีความถาวลอะไรทุกอย่างหรอกฉะนั้นสังขารขึ้นชื่อว่าเที่ยงไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาเสียแล้วนะ ธรรมชาติเนี้ที่สุดของเขาก็คือแตกทําลายไปธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสียแล้วนะคือของที่ตายธรรมดาตายแล้วของที่แตกธรรมดาแตกแล้วเหมือนกับหม้อดินอ่ะที่สุดของหม้อดินแตกแน่นอนเอ้หม้อดินเนี่ยมันแตกแล้วของมันแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วะแก้วที่มีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วรถที่มีความเสียเป็นธรรมดาเสียแล้ว บ้านที่มีความพังเป็นธรรมดาพังแล้วนะเพราะว่าโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายในการที่ถูกลูกรักตายแล้วพิจารณาว่าธรรมชาติมีความตายเป็นธรรมดาตายเสียแล้วธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรมดาแตกเสียแล้วดังนี้ก็ไม่ทําความโศกเจริญมรณะสติอย่างเดียวกุดุมพีก็เลยทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญบัณฑิตพวกไหนทําแล้วอย่างนั้น นะที่เจริญความตายแบบนี้แล้วได้ทำการละในการไรขอพระ อ, องค์ตรัสบอกแก่ข้าพระ อ, องค์เมื่อพระผู้มีพระภาคจะทรงประกาศเนื้อความนั้นก็เลยนำอดีตนิทานยังอุรคะชาดกในปัญจาการนิบาตให้พิสดารว่าบุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้ละสรีระของตนไปดุดงูลอกคราบเก่าเะนั้นนะความตายของสัตว์ทั่วไปก็เหมือนกับลอกคราบ เมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ปริเทวนาการของพวกญาติถูกเผาพเ พ, พ, พลูกหลานก็ร้องไห้ไปคนตายก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะก็ร้องก็ร้องไิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองนะเขาก็ไปตามกรรมของเขานั่นแหละคติห้ามนุษย์เปรต อ, อ่มนุษย์เปรตเดรัจฉานเทวดา คติต่างๆเหล่านี้เขาก็ไปไปตามกรรมที่สมควรแก่คตินั้นๆนะอย่างนี้แล้วผมก็ตรัสต่อไปว่าบัณฑิตในการก่อนเมื่อลูกรักทํากาละแล้วอย่างนั้นก็ไม่ประพฤติอย่างท่านคือไม่มานั่งเสียใจอย่างนี้หรอกผู้ทอดทิ้งการงานแล้วก็อดอาหารเที่ยวร้องให้อยู่เดียวนี้ไม่ทําความโศกด้วยอํานาจมรณะสติภาวนารับประทานอาหารอธิษฐานตั้งใจทํางานเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่า ลูกรักของเราทํากาละแล้วแท้จริงความโศกก็ดีภัยก็ดีภัยแปละวะ่าสิ่งที่น่ากลัวก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมเกิดอาศัยของที่รักนั่นเองเกิดอย่างนี้แล้วพระอผ์ก็ตรัสว่าปียโตชัยตีโซโกปียโตชัยตีพยังปียโตวิปมุตตัสะนัติโซโกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รัก ภัยย่อมเกิดที่รัก เ, เกิดแต่ของที่รักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องได้จากของที่รักภัยจะมีแต่ที่ไหนผู้ที่เปลื้องจิตจากสิ่งที่รักได้คนนั้นแหละจะไม่มีความโศกผู้นั้นแหละจะไม่มีไม่มีภยัยนะนัตถิโศ โ, โ, โกโศโต๊โโกกุโตพยังว่างผู้ที่เปลื้องจากความยินดี ความยึดถือในของรักได้เสียแล้วภัยจกมีแต่ที่ไหนใช่ไหมความโศกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยก็บอกว่าความโศกก็ดีภัยก็ดีอันมีวัตตะเป็นมูลนะวัตตะวัตตะมีกี่อย่างละ่ะสามอย่างนะที่นั่งอยู่นี้นี่หนึ่งก ร, รรมวัฏจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปขนาดนี้เป็นบุญเนอะนี้เป็นกุศลและกรรมวัฏแสดงว่าเพื่อวิปากวัฏต่อไป กุศลแบบนี้เป็นกุศลประเภทกามาวจรกุศลกามาวจรกุศลผลของกุศลเหล่านี้ก็มนุษย์กับเทวดา น, นะผลของวิปากวัฏของกุศลอันนี้ก็ต้องเป็นมนุษย์กับเทวดาเมื่อมาเป็นมนุษย์แบบนี้แล้วชอบไหมอ่ายิ้มเลยนะยินดีที่โทรก็ดูดีเวลาส่องกระจกใครไม่ชอบมั่งนั่นแหะดูเสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวปับ๊บเออเจ๋งเหมือนกันนะนั่นแหละเรียกว่า กิเลสะวัต์ก็อาศัยอย่างนั้นแหละเกิด น, นะมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นความโศกภัยมีวัตตะพวกนี้แหละเป็นมูลเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมอาศัยสัต์กรรมชรั่วโรเหล่านี้นะคำว่าสัตว์ก็คือโรปที่มีสมุดฐานสี่ที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละเรียกว่าสัต์ละหรือสังขารเช่นเนี่ยไฟฟ้าพัดลม เครื่องเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้แหละเรียกว่าสังขารนะเมื่อจะเกิดก็อาศัยสิ่งเหล่านี้อันเป็นที่รักนั้นแหละเกิดนะไอ้ทั้งความโศกทั้งภัยทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเกิดแต่ความโศกและภัยแม้ทั้งสองย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องจากสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักนั้นได้แล้วเปลื้องได้ยังไงอ น, นะ นั่งสมมุติว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะเปลืองจากความยินดีในพัดลมเนี่ยเราจะคิดยังไงจึงจิตจึงจะไม่ยินดีในพัดลมเห็นไหมเราก็ต้องคิดถึงะนะเคยเห็นพัดลมที่มันใช้งานได้เป็นพันพันปีไหมนะก็ ล, ลองคิดถึงอะไรแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่ว น, วนเมื่อแยกย่อยออกไปและสิ่งเหล่านี้ถ้าใช้ไปเรื่อยๆความเก่าควา ม, ค, วามคล่ำคล่าก็เกิดขึ้นถ้าพิจารณาเรื่องพัดลมตลอดสายเลยนะมันก็ไม่ยินดีพัดลมเท่าไหร่หรอก สังขารเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาจนตลอดสายในเรื่องของสังขารพิจารณาตลอดสายในเรื่องของตาเรื่องของหูจมูกเลนกายใจเรื่องผมเรื่องเล็บเป็นต้นถ้าพิจารณาอย่างละเอียดเลยนะมันจะเปลื้องได้เรียกว่าเปลื้องในที่นี้หมายถึงเปลื้องจิตจากความยินดีในสิ่งเหล่านี้ได้นะพระองค์ก็แสดงอย่างนี้กุดุมพีเป็นพระโสดาบันเลยเราฟังแล้วก็อได้บุญแล้ว แสดงว่าพราะองค์แสดงเรื่องอุปาทานการที่ไม่เข้าไปยึดเจตพาตรงนี้ก็คือพระองค์แสดงเรื่องของกามนั่นแหละเรื่องของกามใช่ไหมวัตถุ ก, กามกับกิเลสกามดังนั้นความรักก็คือเรื่องของกิเลสกามและวัตถุ ก, กามผู้ที่เปลื่องเรื่องกิเลสกามได้แล้วเนี่ยความโศกเหล่านั้นจักมีแต่แต่ที่ไหนนั่นแหละดูดูก็ ไม่น่าจะยากนะดูๆแล้วก็ฟังๆดูนะเออเราคิดอย่างนี้นี่ว่าเหมือนกับบางคนน่ะเป็นอมพาตทำตาเปรบๆมองเห็นเข้าแบกข้าวสารร้อยกิโเนี่ยโอ้โหแบกคล่องอยังเลยไม่น่ายากแต่เรานี่ยอมพาตแต่ยกมือยังยากเลยดูดูรู้ไม่น่ายากแต่จริงยากแต่จริงๆก็ เป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะโสดาปฏิมคเกิดขึ้นโสดาปฏิผลเกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัจจยัยตรงๆเลยชัดๆัดเลยก็คือโสดาปฏิมาเป็นปัจจยัยโซดาปฏิมามีอะไรเป็นปัจจยัยมีนิพพานเป็นอารามณะปัจจยัยก่อนที่จะมีนิพพานเป็นปัจจยัยนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยมาก่อนโดยปัจจัยก็ไล่ทบทวนมาเรื่อยๆและจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นรู้มากมายมหาศาลเพราะถ้าไม่รู้ขนาดนี้จะไม่เห็นอริยสัจเห็นอริยสัจ ที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือนิพพานนั่นแหละเรานั่งอยู่นี่มองเห็นไหมของรักของเราคืออะไรทํำยังไงนะจิตใจจึงจะเปลื้องจากของอันเป็นที่รักเหล่านี้อะไรเป็นที่รักจริงๆตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกทํายังไงจะเปลื้องความยินดี น, นี้ได้เอานะสีเนี่ยเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกนะถึงจะดําหน่อยก็ชอบน ะ, ะห่วงของเขาหนา ใช่จักคุวิญญาณก็เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกภาษะเวทนาห่วงความคิดด้วยนะคิดอะไรได้ในห่วงมากเลยใครมาดูถูกความคิดนี้ก็ไม่ได้ยึดถือความคิดเหล่านี้มากเออทอํายังไงจะเปลื่องเปลื่องความยึดถือในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละเป็นหนทางถ้าไม่รู้จักความจริงเหล่านี้จริงๆนะเรื่องอะไรอะ่ะเขาละนี่เขาละอะไรมอนก็เหมือนกันลอกอะ่ะ เรามองไม่เห็นไอ้เขาลอกอะไรออกเขาลอกอวิชาออกอวิชาคือความไม่รู้ในนะเอาเอาไปเอาข้อหกเลยดีกว่าเอาข้อห้าไม่รู้ในขันธะอริยตนะที่เป็นอดีตไม่รู้ขันธะอริยตนะที่เป็นอนาคตไม่รู้ขันธะอริยตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมองเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมพระองค์กล่าวว่าผู้ใดมองเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นมองเห็นธรรมวิญญาณมีอะไรเป็นปจัจจัย สังขารเป็นปัจจัยแน่นะว่าจากครูวิญญาณนี้มีกรรมเป็นปัจจัยแน่นะเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเราไม่ทราบว่ากระดุมพีนั้นเนี่ยขณะที่ฟังนั่นนะกระดุมพีนั้นเนี่ยโยนิโสมนัสิการอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ต้องมีโยนิโสมนัสิการแล้วก็อเป็นโยนิโสมนัสิการที่ที่ถูกต้องด้วย ด้วยพระผู้มีพระภาคนะพระองค์ตรัสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสอนเรื่องมรณานุสติอันคนที่เจริญมรณานุสติเขาจะคิดถึงอะไรมากคิดถึงกายนี้นะแล้วเมื่อพระองค์ก็แสดงในเรื่องของงูลอกคราบนี้แต่ละอย่างก็กรรมสกตาก็จะเข้ามาแล้ว่ะไหมงูลอกคราบเขาไปตามภพของเขา ก็จะฟังเรื่องกรรมมศกตาเสร็จแล้วพรงษ์ก็ประชุมชาดกแล้วก็ประกาศอริยสัจว่าไอ้ความโศกทั้งหมดเกิดจากความยึดถือในสังขารเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะบรรลุอริยสัจได้ของเรามองเห็นเห็นว่าเออนั่งอยู่นี่เนียเดี๋ยวก็ลอกคราบนะลอกคราบเป็นไปตามคติของคนนั้นๆผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยจะต้อง ได้ฟังอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของอริยสัจถูกไหมครับเจนพร น, นี้ค<ป>ถา น, นี้ก็เป็นการประกาศอริยสัจน ะ, ะตัวความโศกเป็นศาสรรจากข้อไหนทุก ข, กขสัจ <S ult ans> เกิดจากของที่รักนะของที่รักเนี่ยของที่รักก็คือทุกขสัจตัวความรักคือต้นสมุทัยสัจสมุทัยสัจ<ห>ก็บอกว่าผู้ที่ไม่มีความโศกหรือผู้ที่ปลดเปลื่องอผู้ปลดเปลื่องจากของรักได้เนี่ย เรื่องได้เรื่องด้วยยังไงอะไรเปลื่องได้มรักนั่นแหละเรื่องได้มรักที่เรื่องมรรคษัตริย์นั่นแหละมรรครู้อะไรจริงกับเรื่องได้ก็รู้ในโรกสัตว์นั้นในคาถานี้ก็เป็นอริยสัตว์อริยสัตว์เรียบร้อยแล้วในพระสูตรหลายพระสูตรที่เราอ่านแล้วถ้าเราอ่านอย่างผิวเผินนะเราวิเคราะห์ไม่ออกเราก็นึกว่าง่ายง่ายไม่ไม่ไม่มีอะไรลึกซึ้งแต่ที่จริงแล้วลึกซึ้งแล้วผู้ที่จะ เป็นผู้ที่สร้างบารมีมาเป็นชาติสุดท้ายที่จะมาเป็นพระอาญาบุคคลเนี่ยแน่นอนทีเดียวสะสมเรื่องโยนิโสมนัสิการมาพอสมควรเยอะและไอ้อย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาครู้อัธยาศัยของเขารู้ว่าควรจะฟังเรื่องอะไรจริงจะได้ได้บรรลุก็คือคนไข้ที่ไปหาหมอที่เก่งที่สุดนะเขาเอายาชิ้นนี้ให้กินอ่ะนี่เราก็ว่ามันไม่น่าหายหรอกแต่ก็หายไปเรียบร้อยแล้ว เราหน้าก็ต้องผ่าตัดใหญ่นึกถึงแค่ผ่าตัดใหญ่อย่างเดียวอ่ะยังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เรืเราเราทำกุศลนะเราควรจะทิฏฐานนะว่าให้เราไปเกิดได้พบพระพุทธภาคเจ้าองค์ต่อไปได้ฟังพระธรรมตอหน้านะตอหน้าพระพักและก็บรรลุมรรผลเป็นไปได้สาธุะนะเอกเรื่องหนึ่งนะว่าเรื่องของนางวิสาขานางวิสาขานี้ก็ ตั้งกุมาริกาชื่อว่าสุทัตีผู้เป็นที่ดาของบุตรเอาไว้ในหน้าที่ของตนแล้วก็ทําขวนขวายแก่ภิกษุสงฆ์ในเรือนนั่นก็คือให้ให้หลานน่ะนะมาเป็นเจ้าหน้าที่เลี้ยงดูคือทํางานแทนตัวเองอ่ะเพราะว่านางนั้นเป็นคนของสังคมเหมือนกันเด้อถูกรับเชิญไปงานโน้นเพราะมีมงคลอะไรก็ไปเขาแต่งงานก็เอาไปเป็นเพราะว่านางเนี่ยเป็นถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมงคลที่สุดอ่ะ เพราะอะไรนะลูกยี่สิบลูกคนหนึ่งมีลูกคนละยี่สิบนะครูเนี่ยอะไรเพราะนางเนี่ยเรียกว่าถือว่าเป็นคนที่มีลูกมากที่สุดครับประเพณีก็ถือว่านี่ก็มงคลก้อนหนึ่งของเขาแล้วก็นางนี่ก็เป็นผู้ที่เป็นอริยะสาวกด้วยนั่นแหละแล้วก็เป็นผู้ที่รวยที่สุดนั้นใครได้นางวิสาขาไปเป็นประธานในงานนี่ก็ถือว่าเยี่ยมที่สุดอ่ะเขาก็มัวแต่ออกงานหน่อยไม่ออกก็ไม่ได้ใช่ไหม ก็ต้องตายรคนของสังคมเหมือนกันเถอะนี้ก็เอาเอาหลานกันแล้วกันมาทำหน้าที่ทาบุญแทนยายทีนี้สมัยอื่นนางกุมาริกานั้นก็ทำกาลังกตวาตายเรียบร้อยแล้วนางวิสาขาก็ไปฝังสรีระศพของนางนะหลานตายก็ไปฝังไม่อาจจะอดกลั้นความโศกเอาไว้ได้นะหลานคนนี้เนี่ยรู้ใจยายมากเลยนะทำกุศลแทนยายได้หมดเลยอะ่ะ รู้ใจมากทีนี้ก็อู้กลั่นความโศกไม่ได้มีทุกข์เสียใจก็ไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งนังน่งคุที่ควรส่วนข้างหนึ่งลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกับ น, นางว่าวิสาขาทําไมเนาะเธอจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าชุ่มด้วยน้ําตานั่งร้องไห้อยู่นางก็เลยทูลข้อความนั้นและกราบทูลว่าพระเจ้าค่านางกุมารีนั้นเป็นที่รักของหม่อมฉันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัด นีนใสยดีจริงๆเลยพระเจ้าข่าร้านคนนี้อย่างนั้นเน่บัตรนี้หมอมฉันไม่เห็นใครเช่นนั้นเลยอ่ะจะหาคนดีๆมาแทนตำแหน่งงานช่วยงานอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเสียใจมากพระองค์ตรัสว่าวิสาขาก็ในกรุงสาวัตถีมีมนุษย์ประมาณเท่าไหร่พระเจ้าค่าพระองค์นั่นแหละตรัสแกหมอมฉันว่าในกรุงสาวัตถีมีชนเจ็ดก ภาษาสดาสตรัสว่าเออถ้าชนมีประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอไซส์เธอปรึงปราถนาเขาหรือดีไหมถ้าคนทั้งเมืองนี่เป็นเหมือนกับหลานเธอดีไหมอย่างนั้นพระเจ้าข่าวแสดงกับแจ๋วแจ๋วมได้ทุกคนอย่างนี้นะเหมือนหลานหม่อมชันหมดเนี่ยแจ๋วมากเลยภาษาสดาสตรัสว่าก็ชนในกรุงสาวัตถีเนี่ยทํากาละตายวันละเท่าไหร่มากพระเจ้าข่าเออเมื่อเป็นเช่นนั้น เวลาที่เธอจะเศร้าโศกก็ไม่จะเอ่อก็จะไม่พึงมีไม่ใช่หรือเธอพึงเที่ยวร้องให้อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนทีเดียวหรือมันก็ตายกันทุกวันอะ่ะบางวันก็ตายยี่สิบสาสิบสี่สิบอย่างเงี้ยร้องไห้เช็ดน้ำตาหวาดไหวหรือนางวิสาขาก็บอกยกไว้เถิดพระเจ้าค่าหม่อมฉันทราบแล้วอนะไรก็ไี้ก็แจมแจ้งแล้วว่างั้นเถอะหายเศร้าแล้วละ่ะ ก็คือเจริญมรณานุสติมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของความตายนี่ก็ตายกันอยู่ทุกวันนั่นแหละลําดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับนางว่าถ้ากันนั้นเธออย่าเศร้าโศกนะและพระองค์ก็ตรัสในคาถาแห่งหนึ่งว่านะบุคคลถ้ามีคนเป็นที่รักร้อยหนึ่งก็จะทุกข์ร้อยหนึง่งมีคนอันเป็นที่รักเก้าสิบเก้าก็จะทุกข์เก้าสิบเก้าบางคนนะโอ้ยเสียใจายมากเลยนะมีลูกคนเดียวแล้วลูกตายไปดีถ้ามีร้อยคนน่าจะต้องเสียใจร้อย100ครั้งอคิดดูใช่ไหม มีร้อยก็ทุกร้อยมีเก้าสิบเก้าก็ทุกเก้าสิบเก้ามีลดน้อยหน่อยก็ทุกน้อยหน่อยอย่างนั้นแต่มีสิบก็ทุกสิบมีแปดทุกแปดมีสองทุกสองมีหนึ่งทุกหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวย่างทุกเลยเนาะนัะ่นแหละองค์ก็ตรัสว่าถ้ากันนั้นเธออย่าเศร้าโศกความโศกก็ดีความกลัวก็ดีย่อมเกิดแต่ความรัก องคตัดเป็นคาถาว่าเปมะโตชายตีโสโกเปมะโตชายตีพยังเปมะโตวิปมุตตัสระนัติโกนัติโสโกกุโตพยังมานะความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักอั้นผู้ที่ละความรักได้เด็ดขาดละตัวความรักนะไม่ยงนั้นชีวิตก็แห้งแร้งหนึ่งคนที้ไม่มีความรักเนี่ย ก็เป็นชีวิตที่แห้งแล้งแต่ไอความชุ่มคือตัวความรักนั่นแหละเคยคิดไหมว่าโลภะเกิดเมื่อไหร่ปฏิสนธิพบใหม่แล้วนะเพราะตันหาเป็นตัวนําเกิดใช่ไหมโลภะเกิดเมื่อไหร่ถือว่านําเกิดแล้วนะเพราะตัวที่สร้างพบสร้างชาติอ่ะคือตัวตันหาตัวเดียวนั่นแหละพระองค์บอกว่าผู้ใดยังยินดีในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากความทุกข์นั่นแหละ ทุกนี่ไม่ใช่แค่โลภะโทสะธรรมดาใกล้ๆเรานี้นะแต่หมายถึงปฏิสนธิในพุทธต่อไปอีกนั่นแหละแสดงว่า ร, รูปเกิดแล้วเพราะเหตุเกิดเพราะเหตุมีแล้วใช่ไหมเทียงแต่ว่าถ้าจุติจิตเกิดปับ๊บปฏิสนธิทันทีเลยปฏิสนธิไกลไหมไ ม, ไม่ไม่ไกลครับนั่นแหละโอ้ไม่ไกลนะอยู่ตรงหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้ไปเนอะศึกษาธรรมะก่อน แน่นะว่าชีวิตที่เหลือจะศึกษาธรรมะจริงๆ <c oughs> <c oughs> เอาบอกว่าปุ้ยผม อ, าอา่าพระบอกข้าพเจ้าขอเอาจิตใจฝากฝังไว้กับคำสอนของพระผู้มีพระภาคใช้เวลาที่เหลืออยู่กับพระธรรมให้มากแน่ใจนะ <c oughs> ไม่ใช่เอาพระธรรมมาอ้างเสร็จก็เพื่อนจะได้ไปทำอย่างอื่นแน่นะปลื้นอย่างอื่นเลยนะเสร็จก็อ้างแลวจะมีชีวิตยาวๆจะได้ศึกษาพระธรรมง แต่แล้วก็ไ ป, ไปดูยางเอิญแทนน่อนะไปหมกมุ่นกับยังอื่นแทนแล้วก็เวลานึกถึงความตายอีก อ, อยู่อีกนานหน่อยน่าจะได้ึาพระธรรมหลอกตัวเองไปเรื่อย ๆ, ๆก็ยังก็เรว่ายังเพลิดเพลินเก็บดอกไม้มาอยู่นั่นแหละถ้ายังเห็นถ้ายังชอบใจสีดอกไม้นะจะได้เห็นสีต่อไปถ้ายังชอบใจความน่ารักของสุนัขจะได้เห็นต่อไปถ้าตัหารักนะคือตันหานี่นะ ถ้าชอบใจในสุนัขยังจะเห็นสุนัขต่อไปนะครับดูกรพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเธอเพลิดเพลินในรูปเธอนั้นย่อมเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกน่าน่าส น, นใจน่ากลัวไหมนะพระองค์บอกว่าแม้แต่เจริญเมตตาก็พิจารณาเมตาก็เกิดด้วยปจยัจจัยเมตตาเที่ยงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ บรรดาสีทั้งหลายเป็นทุกข์สัตว์แล้วตัวที่ชอบคือสมุทัยสัตว์สองตัวนี้อยู่แค่เนี้ยเป็นเหตุกระผลกันอยู่อย่างนี้เลยตั้งใจใหม่ว่าเออจะศึกษาพระธรรมเพื่อให้พ้นการเกิดตายแบบซ้ําๆำซากๆแบบนี้แหละไม่ต้องใช้คําว่านิพพานแล้วมันสูงอ่ะเอาแบบธรรมดานี่แหละแต่ทีนี้ไอ้ตายซ้ําๆำซากซเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากความยินดีซ้ําๆำซากๆกนั่นแหละ ความยินดีซ้ําๆำซัำกๆกนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดตายอีกเกิดตายเกิดตายซ้ําๆซัๆกๆกแต่ก็ถ้ายังยินดีในความยินดีซ้ํๆาๆำซักซนะก็ไม่เป็นไรนก็เกิดตายอีกซ้ําๆำซักซต่อไปขจนกว่าจะมาตัดต้นเหตุนั่นแหละก็บอกคล้ายๆกับเคยเคยจัดจัดสมมติว่าเรามีข้าวของเยอะๆใช่ไหมเสร็จแล้วจัดบ้านอ่ะเอออันนี้ก็ดีไหมอย่าไปทิ้งอะไรเก็บไว้จัดไปจัดมาโอ้ดีทุกอันเลยอ่ะ เอายังชอบทุกอันก็แบตต่อไปทุกอันก็นแล้วกันก็ยถ้ายังชอบอยู่ยังติดอยู่ก็ยังยังเกิดอีกนานน่ะนั่นแหละเพราะโลภะเกิดครั้งหนึ่งเท่ากับก่อพบใหม่ครั้งหนึ่งโลภะเกิดครั้งก่อพบใหม่ครั้งหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่นะตะทางค่าประหารเนี่ยนะวิปัสนาตะทางค่าประหารแค่เรียกว่าละได้ในขณะนั้นๆเท่านั้นเองถ้าอริยมรรคไม่เกิดก็ยังไม่พอ ถึงเจริญวิปาาัสนาญาณถึงชั้นอนุโลมมายานก็ยังนําเกิดอีกวิปัสสนานั้นก็ยังนําเกิดวิปัสสนาเหล่านั้นก็ยังเป็นสังขารที่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณต่อไปยังเป็นโลกียะอยู่แต่เมื่อโซโดาปฏิมาเกิดแล้วนั่นแหละเจิงจะนะก็บอกว่าอีกไม่เกินแปดชาติคือไม่มีชาติที่แปดเหมือนกันสําหรับมาปฏิสนที่เป็นเป็นมนุษย์ะนะ